ท่านก็เลยวิจัยเลือกเฟ้นว่าเมื่อรูปไม่เที่ยงของเราเนี่ยเกิดมาก็พูดกันตั้งเยอะแยะไปหมดไม่เที่ยง้ะพูดให้มันเป็นอะไรอ่อรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงอย่างที่เราสวดมนต์มานย่างเนี้โอ้เพราะดีเอาเราพูดว่าไม่เที่ยงหรืออีกภาษาหนึ่งที่แทนคำว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายมาพูดให้มันเป็นอะไรถ้าอย่างคาที่พระพุทธเจ้าท่านคิดเออมันไม่เที่ยง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 เขามาว่าให้แปลทับสาบเธอกลับไปหาของโบราณเก่าๆเธ อ, อยามาอนัตตุปไม่ใช่ตัวตนเมันแปลว่าอะไรไม่ใช่ตัวตนอ่าบอกไม่ใช่ตัวอ่าไม่ใช่ตัวยังไงแท่งทึบอะไนี้เขาก็ภาษาไทยก็เรียกตัวกันทั้งนั้นแหละมีกี่ตัวล่ะนะเขาไม่พูดมี ก, มกี่มีกี่ไม่ใช่ตัวตนเขาจะพูดไงราะไม่มีกี่ตัวธารุสีมีกี่ตนยักษ์มีกี่ตนมันเป็นสัมนวนโวหารภาษาไทยแต่คําว่าอนัตตาของบาลีมันไม่เหมือนกับของไทยหรอก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 โสมนัสสาสะกตังมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งประกอบด้วยโสมนัสสาสะกตังญานสัมปยุ ต, ตังอาศังคาริกังเนี่ยนะบอกจิตที่อะไรโสมนัสประกอบด้วยโสมนัสญาณสัม ป, ย, มรรมปยุตไม่มีการชักชวนหนึ่งดวงสองดวงอันนี้มันเป็นภาษาไทยภาษาบาลีเขาไม่มีว่าเขาตามหลังเนี่ยเขาจะมีแต่หนึ่งะจิตดวงที่หนึ่งเออหมายว่าจิตหนึ่งหรือว่า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 เพราะอะไรเพราะจักระมันมีทั้งเหตุเกิดถ้ามันมีเหตุพร้อมมันก็ทําให้เกิดทำมันสิ้นปัจจัยมันก็แตกทําลายไปแล้วมีใครมีอํานาจว่าขอจักรุของเราจงเป็นอย่างนี้หรือไปมีอํานาจว่าไอ้ที่เกิดแล้วจงมาอยากแตกอยากทาลายผู้ใดมีอํานาจจริงๆไหมมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นแหละรูปจึงเป็นอนัตตาหลังใครที่ไปบอกว่าจักขะเป็นอัตตาไม่ควรเพราะในจกักระมีใครอยู่ในจักขระไหม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 ทิฏฐิเป็นต้นจนถึงมัคคามัคคายานัทสนวิสุทธิถ้าอ น, นิจานุปัสสนาก็คือปฏิปทายานทัทสนวิสุทธิเมื่อรวบรวมวิสุทธิทั้งสีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิและปัญญาวิสุทธิถ้ารวมตัวกันได้เมื่อไหร่ก็เป็นอริยมรรคบัณฑไอการตามเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตานั้นจึงขออภัยอนิจจานั้นก็คือเพื่อเจริญอ น, นิมิตตวิโมกเห็นรูปโดยความเป็นทุกข์เพื่อเจริญ อปปนิหิตาวิโมกเมื่อจะจะจะเจริญอนัตตานุปัสสนาก็เพื่อจเจริญสุญาตาวิโมกวิโมกสามย่อมนำมาซึ่งนินะพพานเพราะอริยมรรคเหล่านั้นเป็นประตูแห่งพระนิพพานทั้นการพูดรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเนี่ยคือการทำปริญญาในสิ่งที่ควรกำหนดรู้วัตถุประสงค์มีอย่างเดียวคือเพื่อจ ะ, จ ะ, จะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญ เพราะต้องเจริญในสิ่งที่ควรเจริญจึงนําออกจากวัฏตะได้สมัยก่อนเขาฟังแล้วเขาเข้าใจนะเพราะนเขาฟังอนัตตลักษณะสูตรเขาจึงเป็นพระอรหรันเพราะฟังจบเขาเจริญในสิ่งที่ควรเจริญทำกิจอริยสัตตรัสรู้ทำที่สุดแห่งทุกมันในสมัยหลังเนี่ยฟังแล้วอย่างพราทําวัดเช้าเนี่ยนะที่เราสวดๆกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเรามาก็ชื่นชมว่าโบราณ น, นี่ท่านเก่งมากท่านรวบรวมแนะแนวให้เราบ่มนิสัยบ่มอัธยาศัย สวดรู้ไม่รู้ก็สวดไปเถอะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอาจจะโตขึ้นฉลาดขึ้นอาจจะรู้ก็ได้นะเานะก็วางวา ง, วางเอาไว้เนี่ยนะก็เลยนั้นในที่สุดถ้าเราเข้าใจดีจริงๆเอาบทสวดเ่านั้นมาให้ครวนให้ดีๆเนี่ยนะนะนั่นคือทางแห่งความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านคิดสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องใครบอกเลยเรียกว่าจินตานจินตามยปัญญาสาเร็จได้ด้วยความคิดความคิดเหล่านั้นก็เกิดจากอะไร ความคิดที่เป็นวิปัสนาเหล่านั้นเนี่ยนะความคิดที่ประกอบด้วยปัญญาเหล่านั้นอะ่ะคิดได้เองเนี่ยมาจากอะไรมาจากอุปนิสัยที่สั่งสมมาเป็นอย่างดีอะไรนะวันก่อนพูดอะไรนะปุพะโยคะวจระสูตรใช่ไหมในสุตตานิบาตว่าผลของการอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วพระประเจกที่ท่านคิดได้ไม่ต้องแปลใจหรอกเพราะท่านเคยคิดอย่างนี้มาตั้งสองมื่นปีพอตอนหลังมาคิดอย่างนี้ได้อีกจะไปแปลใจทาไม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 นั้นคําสอนในของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์จะพูดในแง่ไหนแสดงในแง่ไหนเพื่อสร้างความเพียรขึ้นมานะเพื่อให้ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิสูตรพระพุทธเจ้าสแสดงเพื่อให้พระภิกษุทั้งหลายกย็ยิมใจกย็ยิมภาษาไทยเนี่ยนะแต่มันเข้าใจยากกย็ยิมนี่แปลว่าอะไรเคยได้ยินไหมเช่นสัตว์นรกกระ็ะยิมกับผู้ที่ไปสวรรค์กย็ยิมเนี่ยมันเป็นภาษาไทย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 แปลภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งทวนนะว่าก็ยิมแปลว่ามีใจที่อยากเป็นเช่นนั้นบ้างเนี่ยนะมีใจว่าฉันก็จะเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งจนได้นั่นแหละสัตว์นรกเห็นผู้ที่ไปสวรรค์ก็ยิมในใจสักวันหนึ่งฉันต้องไปสวรรค์บ้างฉันใดผู้ที่ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าใจก็ะยิมขึ้นมาเลยว่าฉันจะเป็นอย่างนี้แหละฉันจะเป็นอย่างนี้และสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งข้างหน้าจะต้องยังต้องเป็นอย่างนี้ขอต่อนี้ขออุปสั่งสร้างอุปนิสัยก่อน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 เมื่อกี้บอกว่าปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกลสมาธิสมาธิ ม, าธมีสติสติมีวิริยะวิริยะมีศีลศีลมีกุศลวิตกกุศลวิตกมาจากมีปัญญามันก็มุนรอบตัวกันไปนั่นแหละเจริญจนเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์เนี่ยนะกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นจึงจะบริบูรณ์ผู้ที่คิดอย่างนี้ได้เองเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่าคนมีจินตามายาปัญญาคิดได้ยังไงเนี่ยนะอันนั้นคือสิ่งที่น่าคิดว่า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 เอาพระองค์บอกให้เป็นธรรมธายาธไม่ใช่เลยมันถ้าเราไม่คิดตามพระองค์ไม่เอาใจพระองค์มากๆนะยากจะได้มรดกของพระองค์โพธิปัจญาธรรมเนี่ยนะอริยะทราบรัตนาเหล่านั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพระองค์ตนีทีเนี้ยอะไรหรอกแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติพอเนี่ยนะจะได้รัตนาเหล่านี้ไปก็ละเลงเกลี้ยงหมด่นะ <c oughs> ก็เลยทําตัวไม่คู่ควรที่จะได้รับวังั้นกลัวมันอะไรนะเอาไปแล้วแทนที่จะได้ดีกับเสียหายก็มีอยู่เรื่องหนึ่งในใน สุดโทมชาดกเขมีไอ้พราหมณ์คนหนึ่งนะพราหมณ์ที่เขาทรงจําเขาไม่ได้จําหรอกเขาจ ด, จดจดจดมาเขาก็อ่านเรียกว่าสตารหะคาถ า, าเขาไปอ่านที่ไหนเนี่ยจะได้คาถาละร้อยคาถาละร้อยก็เลยแบบสตารหะคาถาก็ไปที่เขาอ่านให้คนฟังอนะแต่ว่าโอต้องเลือกหนือนนะต้องมีสตังด้วยมีศรัทธาด้วยมีอะไรด้วยพออ่านจบเขาจะกษัตริย์ทั้งหลายจะจ่ายเลยสี่ร้อยสี่ร้อยนะก็ถือว่าสมัยนั้นก็โอ้สี่ร้อยนี่เยอะมากรวยมากเลยนะ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 ที่จริงแล้วสมบัติรัตนะในโลกนี้ไม่คู่ควรแก่การบูชาเพราะว่ามันนําออกจากโลกอ่ะเรียกว่าสิ่งที่นําออกจากโลกแล้วจะต้องเ อ, เอาเอาเอาของในโลกเท่าไหร่มาบูชานะจึงจะสมควรเหมือนกันเถอะบอกว่าโอ้มันแค่น้อยไปเหมือนนแล้วก็ไล่อีกแต่ก็คิดไปคิดม า, าอะไรที่จะคู่ควรแก่การบูชาพระธรรมไม่มีแต่แล้วก็คิดว่าเอ๊เก็คิดว่าเอเร า, น, าน่าจะให้ราจะสมบัติแก่พราหมณ์ดูแล้วดูลักษณะ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 ท่านอาจารย์เนี่ยไม่รู้จักสินค้าของตัวเองมาันมีที่ไหนราคาร้อยหนึ่งต้องราคาพันเลยก็เรียกว่าสหัสสาระหะก็แลต้องควรพันสิก็เลยให้ไปคาถาลพันคาถารพันแต่ทีนี้พระเจ้าสุตโส ม, มเนี่ยบูชาคาถาลพันคาถาะนะที่ที่พูดถึงการไม่ครบพลพานพูดถึงอนิจจังพูดถึงความคุณงามความดีของโลกุตระธรรมเนี่ยนะในคาถาเหล่านั้นซึ่งถ้าใครเข้าใจปฏิบัติตามก็นําออกจากวัฏตะอยู่แล้วละ่ะทีนี้ก็โห พ่อของพระเจ้าสุตสมพอได้ฟังโกรธลูกชายมากมีที่ไหนต้องไปจ่ายตั้งพันหนึ่งจ่ายแปดสิบเก้าสิบร้อยก็พอแล้วโกรธลูกมากนี่นะโกรธมากเสร็จแล้วบอกว่าอ้าวเนี่ยพ่อทำเป็นต้นนีอะไรเดินแค่นี้หม่อมชันลาไปตายแล้วเหมือนไปเสียใจมากเกลายเป็นคือบางคนเนี่ยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้อะไรมีคุณอะไรไม่มีคุณเป็นต้นก็เลย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 สิ่งเหล่านี้พระ อ, องค์แสดงต้องการอะไรพระ อ, องค์ร้องเรียกอะไรจากเราพระ อ, องค์ต้องการอะไรเนี่ยนะจับสาระตรงนี้ในการศึกษาเถอะแต่ถ้าไม่จับตรงนี้ในการศึกษานะต่อให้เลยถ้ามีเวลาอายุยืนอีกห้าพันปีมันก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้คิดอย่างที่พระพุทธเจ้าพาให้คิดต้องพยายามสมาทานเถอะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคล้อยตามคําสอนทําได้ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าเข้าใจไหมล่ะที่พระ อ, องค์ต้องการเข้าใจไหม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 นนเพราะถ้าเราเสื่อมจากพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นะบอกว่าเสื่อมจากลัเราเลิกนับถือจักรพรรดิเมื่อไหร่ก็กลับไปหาจันทานตามเดิมเพราะงั้นเอาในวันนั้ น, นกลัวจริงเลยเย้อนกลับมานะว่านะเมื่อเห็นรูปไม่เที่ยงเพื่ อ, อนิจานุปัสนาทุกอ่นะเห็นรูปเป็นทุกเพื่อทุกขานุปัสนาเห็นรูปเป็นอนัตตาเพื่อ อนัตตานุปัสสนาเป็นต้นที่ที่จะกล่าวต่อไปข้างหน้านะสะรุปว่าใครที่คิดกรรมสกตาได้เองเนี่ยรู้โดยเฉพาะย้อนหลังมาว่าถ้ามีกรรมสกตาปัญญาเนี่ยนะบางแห่งอธิบายว่ากรรมสกตาเนี่ยได้เฉพาะความรู้ว่ากรรมเป็นของตนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ว่ากุศลเนี่ยเป็นของตนเนี่ยนะอกุศลไม่ใช่ของตนอกุศลเนี่ยมันนํามาซึ่งความ เบียดเบียนนํามาซึ่งความเสียหายนํามาซึ่งความเดือดร้อนนํามาซึ่งความทุกข์ความยากความลําบากนํามาซึ่งน้ำจะเรียกว่าจ่ายถูกที่สุดเลยนะคือต้องเสียงเหงื่อมาเง้นเหงื่อท่วมเลยนะจ่ายแพงอันนั้นก็เสียเสียใจแพงอันนั้นอีกหลังน้ําตาออกมาเลยเนี่ยเสียน้ําตาแต่ก็เสียเลือดพวกนั้นก็น้อยพวก็เสียชีวิตจอเรียกว่าเสียวัยวะเสียวัยวะก็ยังน้อยถ้าเทียบกับเสียชีวิต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 เรียว่าส่วนเกินที่เป็นตัวสร้างความเสียหายสร้างความทำลายให้แก่เครื่องบินสร้างความเสียหายให้แก่จรวดเป็นต้นฉันใดสิ่งใดก็ตามที่ทำลายคุณงามความดีบุญกุศลที่จะนำไปออกจากอบายตัวนั้นก็ฉันนั้นเรียกว่าเป็นตัวทำลายจึงไม่ใช่ของตนอกกุศลทั้งหลายไม่ใช่ของตนเพราะนำมาซึ่งแต่ความเดือดร้อนให้แก่ตนทั้งปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะเหมือนกับไฟไมไม่บ้านเนี่ย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 รูปที่ไม่เที่ยงก็น้อมไปเพื่อที่จะเห็นพระนิพพานเป็นที่ดับรูปนะนะรูปรูปนิโรธนะถ้าถ้าแยกออกมารูปกับรูปนิโรธข้อปฏิบัติที่ไปกําหนดรู้รูปน้อมไปหารูปนิโรธเป็นรูปนิโรธขามินีปฏิปทาไอการที่มีรูปนิโรธเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นการสลัดออกจากรูปสมุทรเนี่ยนะเพราะมันมันไม่ใช่แบบมันไปละแบบโอ้ยเหมือนกับเอามีดไปฟาดไปฟัน เขานี่คําถามในท่านพระไตรปิฎกเลยนะท่านก็รอบครอบมากบอกเออมรักเนี่ยละอวิปัสสนาหรือมรักนี่มันละกิเลสอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเอากิเลสอดีตมันก็ดับไปแล้วในอดีตกิเลสอนาคตมันยังไม่เกิดถ้ากิเลสในปัจจุบันแสดงว่ากุศลกับอกุศลมันก็คละกันนะสิเอาพูดไปพูดมาเอางั้นกุมันก็ไม่ได้มีการละอกุศลจริงใช่ไหม การละอกุศลก็ไม่มีอยู่จริงเพราะไม่ได้ละอกุศลในอดีตไม่ได้ละอกุศลในอนาคตและวอกุศลในปัจจุบันก็บอกว่าเมื่อที่ตรงนั้นเป็นที่จเจริญงอกเงยแห่งอกุศลถ้าฉีดคุณธรรมจนไปจนเพียงพออกุศลเป็นต้นจะงอกเงยกับสิ่งนั้นไหม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 สกายทิฏฐิไม่ขึ้นอีกแล้วเช่นรูปของพระพุทธเจ้าเพราะสกายะทิฏฐิวิจิกิจชัสีละพตาปรามาภะราคาโทสะโมหะเพราะบาปอกุศลขึ้นไหมในใจพระองค์โดยอาศัยรูปของพระองค์เพราะไม่ขึ้นเวทนาของพระองค์เนี่ยเพราะเพราะกิเลสขึ้นบ้างไหมถ้าเป็นแบบร่างกายทั่วไปมันเพราะเชื่อราขึ้นใช่ไหมเอาไปเพราะเชื่อราเพราะเชื่อโรคเพราะอะไรเป็นได้หมดอะ แต่ของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ขึ้นเหมือนกันเถะชั้นใดคือกระกายของพระองค์เพราะอกุศลไม่ขึ้นเวทนาของพระองค์เพราะอกุศลก็ไม่งอกนะสัญญาสังขารและวิญญาณก็เพราะอกุศลของพระองค์ไม่งอกขึ้นเพราะพระองค์พ้นจากความเป็นสัตว์พ้นจากความเป็นสัตว์สัตว์โดยสัตว์แล้วว่าผู้คล่องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าก็ยังเรียกว่าสัตว์สัตว์ชนิดหนึ่งแต่ว่า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 พระองค์คือพระพุทธเจา้าผู้ทากิจกำหนดรู้ละทาให้แจ้งและเจริญนั่นคือกิจของพระองค์พระองค์คืออย่างนั้นพระองค์จึงไม่ใช่สักแต่เราเรียกตามโวหารที่เคยมีมาก่อนเท่านั้นนะถ้ารายละเอียดเรื่องนี้ก็พูดไปเรื่อยนะตามภาษาที่นึกออกนิย้อนมาดูสุตตามย a ยานมั่งว่าถ้าเราจะฟังในฟังเพื่อให้รู้อะไร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 คือได้กรรมสัศกตาได้สัจจานุล ม, มิกยานโดยอาศัยการฟัง น, น, นก็คือสุตตาะมายญาณอย่างเต็มเปี่ยมนั่นแหละหรือหรือในที่เรียกว่าเรียนมาแล้วอันะอาศัยการเรียนก็เลยประกอบการงานด้วยความเพียรหรือศิลปะที่ประกอบด้วยความเพียรหรือฐานะแห่งวิทยาที่ประกอบด้วยความเพียรหรือได้ความชอบใจได้ความเห็นความพอใจความบันเทิงความเพ่งความชอบ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 ก็มาบางแห่งก็เหมือนกันบอกโอ้ไม่อยากบอกเป็นว่าเป็นนักเรียนมาจากบางแห่งเลยมันจะเสียชื่อสถาบันเขาหมดนั่นก็เหมือนกันนะพันธุ์ถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถไม่ได้อะไรเลยจากอ น, นั้นถามว่าจะได้เรียกว่านักเรียนนั้นไหมมีพระรูปหนึ่งกําล่าใหฟังว่าผมเนี่ยนะถ้ามันลบชื่อมาหาน a m หน้าอะไรผมจะไปลบทิ้งมันตั้งนานแล้วเขาพั้นธุ์บัล리อะไรก็แปลไม่ได้ให้ก็ไม่ไดก้ก็เลยบอกจะลบทิ้งแล้ว เรียนโก้เลยไปที่ไหนเขาก็ถามถามแล้วเราตอบไม่ได้เขาก็ดูหมิ่นเอาไปเรียนยังไงมาแล้วก็แปลไม่ได้เป็นต้นนะเนี่ยบางอย่างาก็ถามเกินวิสัยไอ้ความรู้ที่มีอยู่แล้วบางทีไอ้ความรู้ที่เขามีอยู่ก็เข้าม่อเข้าไหานี่ยโบราณแล้วก็ลืมหมดมาหมดแล้วเนี่ยนะก็เลยบอกโอ้ยอยากจะลบทิ้งจริงๆเลยนะเป็นพระกลับไปเป็นพระปกติตามเดิมดีกว่าเพราะงั้นนี่ก็เหมือนกันย้อนกลับมาว่าผู้ที่คําว่าสุตตามมายาปัญญาก็คือเรียนแล้วก็ทําได้ตามนั้นมีความรู้ความ สา ม, มารถตามที่เรียนมานะโดยเฉพาะรู้มีกรรมมศกตามีวิปัสนาปัญญานะรอบรู้เห็นเลย่รรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงชัดเจนเลยนี่ประเด็นที่พูดเนี่ยถามว่ายงมาจากไหนทั้งหมดเนี่ยว่าไวศยาวเลยยงมาจากที่ว่าที่พูดไปว่าภาวนาสองภาวนาสาภาวนาสองคือโลกิยะภาวนาภาวนาสามโลกุตระเออเข้าไป โลกิยะโลกุตระภาวนาภาวนาสามคือรูปราวจรอรูปราวจรและโลกุตรบะ 2, บรรทัดสองบรรทัดสุดท้ายนั่นแหละท่านอยากอ้างว่าปัญญาทั้งหมดของบุคคลผู้ได้สมาบาร์เรียกว่าภาวนามายะปัญญาที่เราเรียนภาวนาปยปัญญามา้เอาตรงนี้แหลก็เลยไม่เอากามาวจรกุศลเหตุผลที่ตั้งคําถามตอนแรกว่าภาวนามายะปัญญาไม่ใช่ไมายเอากามาวจรไม่ได้ไม้เอามหากุศลนะ เอารูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระไมยเอาที่เป็นอัปปนาหรือสมาบัตทั้งหลายเท่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าภาวนามายปัญญาเฉพาะตรงนี้นะเฉพาะเฉพาะภาวนาสองภาวนาสามคือคำบางคำบางแห่งเนี่ยวิธีการอธิบายธรรมะอันหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้เราเปื้อนบาปตรงไหนคำพีว่าไว้ยังไงก็ว่าตามท่านก็พอ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 วันหลังเราไปเจอคําที่ขัดแย้งกับคําพูดของเราถ้าโดยปกติเนี่ยคนเนี่ยมันแปลกนะมันพวกตัวเองพูดคําใดเนี่ยนะมันอุ้ยมันให้ความสาําคัญจริงๆเลยเพอให้ความสาําคัญกับสิ่งที่ตัวเองพูดไปมากกล้า บ, บิดเบือนแล้วอะตอนแรกก็จะละเมิดไปเรื่อยๆๆๆฟันในเบื้องต้นพยายามอย่าอะไรที่เราไม่รู้ก็เอาไว้ก่อนตรงไม่รู้อย่าไปฆ่าอย่าไปคเนอย่าไปเดาอย่าไปอะไรมากมายพยายามศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็โยงได้ก็ค่อยโยงถ้าโยงไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนเนีนะ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 มันพยายามเห็นได้ว่าข้อความตรงไหนที่เป็นคำสอนท่านอธิบายอย่างไรอัตกรถาอยากให้เรารู้อะไรตรงนั้นแล้วก็อย่าเอาข้อความอีกที่หนึ่งไปอธิบายให้อีกที่หนึ่งอย่างคำว่าภาวนาตรงนี้เนี่ยจริงอยู่ว่าข้อความตรงนี้เนี่ยยกเอาโลกิยะเอโกอัปปนาเอาสมาบัติเท่านั้นเฉพาะข้อนะอย่าไปอธิบายทุกข้อเฉพาะข้อไหนที่บอกว่าเอาเฉพาะอัปปนาข้อเดียวนะที่เน้นเฉพาะอัปปนาเนี่ยนะ คือในโดยเฉพาะข้อหกสิแปดเนี่ยนะเน้นเฉพาะอัปปนาข้อหกสิบแปดไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะเฉพาะเนี่ยโลกิยะภาวนาโลกุตระภาวนาเฉพาะสองคำนี้แหละที่หมายเอาอัปปนาหรือหมายเอาสมาบัติเนี่ยนะส่วนหลังจากนั้นเช่นอเอสนาภาวนาไปแล้วนี่อันนี้ก็ไม่ใช่สมาบัติแล้วถ้าเป็นข้ออื่นไปแล้วเนี่ยนะถ้าข้ออื่นไปแล้วนี่ไม่ใช่แล้ว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 แทงตลอดด้วยประหนะการละอันนี้ก็ละโดยกิจเพราะว่าท่ า, อานอธิบายในส่วนที่เป็นโลกุตระว่าอย่างเช่นส่วนที่เป็นโลกิยะคืออะไรส่วนที่เป็นโลกิยะในรูปราวจรเลวปานกลางและประณีดส่วนที่เป็นทั้งให้รูปาวจรและอารูปาวจรรูปาวจรอารูปาวจรนั้นแบ่งเป็นส่วนที่เป็นโลกิยะและส่วนที่เป็นโลกิยะแบ่งเป็นอย่างเลวอย่างกลางและ อย่างประณีตส่วนที่เป็นโลกุตระเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเป็นโลกุตระเขาตั้งคำถามนะตั้งคำถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าภาวนาที่เจริญอยู่นี้ขณะนี้เป็นโลกุตระรู้ได้ยังไงอะไรเป็นเรื่องตรวจสอบท่านบอกว่าเพราะเพราะว่าปัญญานั้นอะทำกิจแทงตลอดทุกขศัสต์ด้วยปริญญาแทงตลอดสมุทยัยนิจศัต์ด้วย ปหารนะแทงตลอดนิโรสัจด้วยสัจจิคิริยาแทงตลอดมรด้วยการภาวนาภาวนาตรงนี้นี่แหละจึงจะเป็นเป็นโลกุตระก็คือการทํากิจในอริยสัจสี่เพราะมรรคสัจจะเนี่ยทำกิจในอริยาาสัจเนี่ยนะเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนั่นแหละจึงจะชื่อว่ากำหนดรู้ในกองทุกข์อย่างที่ว่าใครที่จักรู้จักรูปจริงต่อเมื่อแทงตลอดรูปนิโรธ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 ใครที่รู้จักทุกจริงคนนั้นต้องดับทุกได้ถ้ารู้จักทุกจริงนั่นแหะถ้าต้องมีความรู้ในความดับทุกจรจะเรียกว่าคนรู้จักทุกจริงถ้ารู้จิรู้แล้วบอกแต่ดับทุกไม่ได้เรียกว่าคนรู้จรไหมเพราะโอ้ใช่ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็เที่ยวตะโกนเนี่ยเป็นเรียกว่าคนรู้จริงในเรื่องไฟไหม้ไหมคนรู้จริงเรื่องไฟไหม้ก็คือรู้จักวิธีดับไฟฉันใดคนที่รู้จริงในเรื่องทุกก็คือคนที่ดับทุกได้ เพราะฉะนั้นคําว่ารู้จักทุกข์ด้วยปริญญาก็ต้องรู้จักนิโรธด้วยสัจจิิกิริยาหรือด้วยที่เรียกว่าทําให้แจ้งทําให้เป็นอารมณ์ัถ้ารู้จักทุกข์จริงต้องรู้จักความดับทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยจะทําให้แจ้งได้อย่างไรก็เกิดจากการภาวนาถ้ากําหนดรู้ทุกข์รู้จักทำรรที่ดับทุกข์เนี่ยนะคิดหรือว่าจะสร้างเหตุแห่งทุกข์อีกต่อไปถ้ารู้จักทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหน ทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะเจ็บปวดในภพต่างๆเนี่ยเห็นความเจ็บปวดแล้วรู้จักธทรรมที่สงบจากความทุกข์โดยประการตั้งตัวใจหลีกออกไปหาทมที่ดับทุกข์ได้แล้วน้อมไปสร้างเหตุเพื่อแห่งทุกข์อีกต่อไปไหมบอกไม่เพราะว่าถ้าคิดถึงนะเดี๋ยวเรียนสัจิการตระประธรรมเนี่ยจะเห็นชัดธาตหันทั้งหลายเนี่ยนะอสังขานโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยท่านชนานาญ เห็นสมุทยศัตร์เหมือนหลุมฐานเพลิงเลยนะท่านเห็นว่าไอ้ตันหาหรือสมุทัยเนี่ยเหมือนก้อนไฟเนี่ยก็เหมือนเราเห็นก้อนไฟหรือหลุมฐานเพลิงที่ตัวเองต้องตกเข้าไปอ่ะจะถามว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะถ้าไฟลุกร้อนเราอุบแบบที่เรียกว่าต้องเดินไปตามนั้นเนี่ยถามว่ามันน่ากลัวฉันใดผ้าฐานทั้งหลายท่านมองเห็นสมุทัยหรือตันหาฉันนั้นท่านบอกว่ามันน่ากลัวขนาดนั้น เพราะอะไรเพราะว่าที่เรียกว่ามันน่ากลัวเพราะมันโยนไปหาพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาดเก้ารู้เลยว่าไอ้ผลของเหมือนกับว่าอะไรดื่มยาพิษชนิดร้ายแรงอ่ะ น, นะถ้าดื่มขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผลตามมาหลังจากนั้นคืออะไรก็เลยอุปมาว่ามองเห็นสมุทัยเหมือนลุ่มฐานเพลิงกว่ากว่าเห็นแล้วผนลุกขนพองเลยมาณนั้นนะในความรู้สึกของท่านนะปุถุชนบอกโอ้ดีจริงๆเชื่อไหม เอาเคยเห็นพวกอะไรนะมแมลงเม่าไฟลุกท่วมโอ้ยมันบินเฉียวเลยนะมันถล่าลมนะถล่าลมปีกท้ายเข้ไปไหม้ฟ้าบขึ้นมาตกแล้วก็ตกใส่กองไฟไอตัวหลังไม่ได้กลัวเลยนะวับชอไปอีกชีบตกร่วงไปอแล้วก็มามามาเต้ไปหมดตายเยอะแยะไปหมดเลยนึกว่ากลัวนะที่ไหนได้เห็นกลัวเลยเนี่แหละสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้กลัวต่อทุกชั้นนั้นแต่ผ้าหั่นทั้งหลายนี่ท่านขนลุกขนพองเลยนะ เห็นคนอื่นก็มีความทุกข์เนี่ย พ, ออพระอรหันต์ตั้งหลายเนี่ยโอ้โหขนลุกขนพองเลยนะปีติที่ขนพองเนี่ยไม่ใช่ด้วยโทสะนะดีใจว่าเราพ้นจากสภาพทุกข์เหล่านั้นแล้วนะเราพ้นทุกข์เหล่านั้นแล้วดีจริงเนอที่เราพ้นทุกข์เหล่านั้นได้พเพราะโลกุตระธรรมนั้นก็คือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตวนะเพราะว่าถ้าโลกุตระจริงนั้นต้องกิดของอริยสัตว์ทั้งสี่ประการ เพราะไม่งั้นบอกว่าอบอกเขาพ้นแล้วพ้นโลกแล้วพ้นยังไงถ้าตั้งคําถามนะพ้นโลกทุกเนี่ยทุกเนี่ ย, ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าโลกทุกขสมู ท, ทัยหรือโลกกะสมูทัยทุกคณิโรหรือโลกคณิโรทุกขานิโรทค า, ามินีปฏิปทาหรือโลกะนิโรทค า, ามินีปฏิปทาแล้วก็ต้องทํากิจเหล่านี้นะจึงจะเรียกว่ารอบรู้แล้วก็ โสดาปฏิมัค ก, ก็ทํากิจ4เนี่ยนะมันกําหนดโสดาปฏิมัคก็ทํากิจกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญมัคระดับโสดาปฏิมัคเนี่ยนะกำหนดรู้เออกลับไปกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญสกทาคามีมัคกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญอรยมัคเพื่ออนาคามิมัคกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญ อรหัตตมักเขาบอกว่าการกําหนดรู้กองทุกข์ด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยเพื่ออะไรกําหนดรู้กองทุกข์เพื่อด้วยโสดาปฏิมักเพื่อละสกายะทิฐิวิจิกิจชาและศีลพัตตปา rama ใชสกายะทิฐิวิจิกิจชาและศีลพัตตปามา m a อันใดเนี่ยนะที่พระโสดาบันผู้เห็นเอ่อเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ยสิ้นไปพร้อม ก, กับการเห็นพระนิพันธ์เหมือนกันเพราะพระพระโสดาบันเห็นพระนิพันธ์ก็ ละเทวทุกขสัจจะขันห้าขันห้าทุกขันจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งส ก, กายยิทิวิจิกิจฉาสีระพตะปรามาศของพระโสดาบันอีกต่อไปเท่ากับกำหนดรู้ปริญญาระดับนี้ละสมุไทยได้สามประการแล้วทีนี้ถ้าสกท า, าคามิมัจ ก, กำหนดรู้ทุกละอะไรเพื่อละอะไรกาหนด พระสกทาคามีพระสกทาคามีกําหนดรู้ขันห้าเพื่อละพยาบาทการมราคะอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบพระอนาคามีกําหนดรู้ทุกข์คือขันห้าเพื่อละการมราคะและปฏิฆะถ้าอรหันกําหานดรู้ขันห้าเพื่อละรูปปราคาอรูปปราคะมานะอุทจฉาและอวิชชาเพราะั้นก็ยังต้องทํากิจเหล่านั้นอ่ะซ้ำตั้ง สี่ครั้งระดับโลกุตระมัชเนี่ยซ้ำสี่ครั้งแต่โลกุตระผลเนี่ยซ้ํากี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นไรนีนะก็เรียกว่าเข้าสมาบัติเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าตัวมัชตัวที่ต้องเจริญให้มันยิ่งเนี่ยต้องได้สี่ขั้นระดับนั้นมาขึ้นข้อใหม่เรียกว่าภาวนาอีกสี่ประการภาวนาคือเอสนาภาวนาปฏิลาภภาวนาเอกราษาภาวนาเอสนาภาวนาเอสนาภาวนาคืออะไร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 หรือคนที่จะมีโลกุตระภาวนาเกิดขึ้นเช่นขณะโสดาปฏิมากเกิดขึ้นเนี่ยเขามียาณนะอันหนึ่งเรียกอะไรอนุโล ม, มายานอนุโล ม, มายานนี่แปลว่าอนุโลมต่อวิปัสนาญาณก่อนหน้านี้หนึ่งอะนุโลมต่อโพธิปักธิธรรมทั้งหมดที่จะคู่ควรต่อการบรรลุเป็นพระโสดาบรรจะต้องเพราะฉะนั้นเอสนาภาวนาก็คล้ายๆกับอนุโล ม, มายานที่เรียกว่า รวบรวมเนี่ยนะรวบรวมน้อมนําเอากุศลธรรมเหล่านั้นมาทั้งหมดอ่ะเพราะว่าจะต้องรวบรวมกุศลธรรมที่เป็นเบื้องต้นแห่งอัปปนาถ้าเป็นทํากับธรรมยาก็เรียกว่ารวบรวมตัวยามากองเลยนะกว่าถ้าเป็นอัปปนาก็คืออัดให้มันเป็นเม็ดเดียวนั่นแหละปฏิลาภภ า, พาปฏิลาภภ า, าวนาก็คืออัปปนาภาวนาบอกพระโยคาวจรทั้งปวงเข้าสมาธิแล้ว ทำทั้งหลายที่เกิดในอัปปนาน้นไม่เป็นไปร่วงกันแลกกันนะกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่มีการร่วงกันและกันเป็นไปอย่างไปร่วมกันอย่างกลมเกลืนอย่างเช่นองค์ฌานทั้งหลายเนี่ยนะกุศลธรรมที่เกิดในองค์ฌานเนี่ยนะมีความกลมเกลืนกันอย่างดีเยี่ยมหรือในขณะโลกุตระมัคเนี่ยนะมักแปดหรืออินทรีห้าอะไรนะสติประฐานสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรียพร ะ, ะโพชฌงองค์มักมีความ กลมกลืนกันนั่นแหละเรียกว่าไม่ล่วงเกินกันและการเป็นไปอย่างพอดีและสม่ําเสมอเนี่ยนะก็เหมือนกับรถเนี่ยถ้ามีสมมติรถมีสี่ล้อล้อหนึ่งหมุนเร็วอีกล้อหนึ่งหมุนช้าล้อหน้าหมุนช้าล้อล้อสี่ล้อนี่หมุนไม่เท่ากันแม้แต่ล้อเดียวเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นรถวิ่งได้ไหมน่าจะคนขับอายุไม่ยืนนะดูท่าแล้ะถ้าถ้าล้อมเป็นอย่างนั้นจริงๆริงนี ชั้นใดก็ดีกุศลธรรมทั้งหลายคนที่เจริญก็เหมือนกันเนี่ยนะก็ต้องมีความเรียกว่ามีความเหมาะสมเป็นไปอย่างไม่ล่วงเกินกันและกันถ้าเป็นเครียกว่าถ้าเป็นองค์กรที่เรียกว่าไม่มีใครล้ําหน้าใครไม่มีใครล้าหลังไม่มีใครกระจัดกระจายเนี่ยนะเป็นไปได้ด้วยการอย่างเป็นระบบเนี่ยนะเราไม่ล่วงกันเ้าเป็นไปอย่างอย่างดีนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิลาภภาวนานเพราะในขณะอับ ป, ปัญาเนี่ยนะ ส่วนเอกาษาภาวนาเนี่ยนะมีรสเดียวกันคือวิมุตติรสเนี่ยหมายความว่าเมื่อพระโยคาวจรเจริญสัตทินรีด้วยน้อมใจเชื่อศรัทธาเนี่ยก็คือน้อมใจเชื่ อ, อวิริยะสติสมาธิปัญญาก็มามีกิจอันเดียวกันด้วยอัตถว่าน้อมใจเชื่อเรียกว่าโอนอ่อนพ่อตามศรัทธาหมดเลยถ้าวิริยะเนี่ยประคองไว้เนี่ยนะ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 อันนี้ในขณะอินทรีย์นะจริงๆอินทรีย์พะละโพชงองค์มรก็คือสิ่งเดียวกันแต่ให้รู้เทอะว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้อินทรีย์ภะละโพชงองค์มรกรวมเป็นยี่สิบห้าเนี่ยนะตรงนี้ยกมาแค่ยี่สบห้าขาดอะไรขาดสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทขาดขาดนั่นแหละขาดแค่สติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทขาดออกไปสิบสองถ้าเอาบวกยี่สิบห้าบวกสิบสองก็เป็น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 กระด้างนะเป็นคนที่มานะสูงมากหรืย่ อ, อะไรสักอย่างถ้าวิิยะเกินไปขาดสมาธิฟุ้งซ่านสมาธิที่ขาดความเพียรที่พอสมขี้เกียจก็ถามว่าและอะไรเป็นตัวเคเรียกว่าตัวประสานให้มันพอดีเออคุณศรัท ธ, ธากับคุณปัญญาคุณต้องทำงานให้มันพอดีกันนะเป็นผู้จัดการใหญ่ใคร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 อย่างเช่นคนอาจจะมีสัตหินรีก็จริงแต่ต้องมีกําลังต้องมีกําลังจนไม่หวั่นไหวในอาสัตยะเนี่ยนะจนเครียกว่ามั่นคงอนะใหญ่ใหญ่แบบมีอํานาจไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาวิสตินี้ก็ต้องเออพะละวิริยะก็ต้องเป็นพะละมไม่หวั่นไหวในความเกียรติขันสติต้องเป็นใหญ่มีกําลังถึงขนาดว่าไม่หวั่นไหวในความประมาทสมาธิต้องมีกําลังถึงขนาดว่าไม่หวั่นไหวในความ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 ส่วนปีติปัสสัทธิอ่ะนะปีติคือจริงๆปีติก็เนื่องจากเป็นผู้มีศรัทธากลุ่มผู้มีศรัทธาเทนั้นแหละจึงจะมีปีติส่วนปัสสัทธิกับอุเบกขาก็อยู่ในกลุ่มสมาธินี่นะที่ยกโทษชงตามมาว่าการมีอินทรีย์มีพระเพื่ออะไรเพื่อการตรัสรู้นี่นะโทษชงแปลว่าองค์แห่งความตรัสรู้เพรันการเจริญอินทรีย์เจริญพระเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะน้อมไปเพื่อการตรัสรู้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 อย่างคนพูดที่ไม่มีข้อกำหนดนี่มยายยากสมารกรรมตาท่านบอกว่าสมุทฐานสมาชีวะผ่องแผ้าววายามะประกองไว้สมาสติก็ตั้งมั่นสมาสมาธิก็ไม่ฝุ้งซ่านทั้งขณะองค์ชาญหรือในขณะโลกุตระทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระนะกุโซลธรรมเหล่านี้เนี่ยเขาช่วยเหลือกันนะเขาเกื้อกูลกัลกนเข้าสนับสนุนกันเนี่ยนะ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 กุศลธรรมเหล่านี้ดีจริงๆนั่นแหละจึงจะภูมิคุ้มกันความเศร้าหมองแต่ละชนิดได้เพราะความเศร้าหมองด้วยคำว่กิเลสนี่แปลว่าความเศร้าหมองความหม่นมองความขุ่นมัวนะถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่ผ่องใสเพียงพ อ, อจึงเข้าใจว่าในเดี๋ยวระดับต่อไปคือเรามันดเปย์ยัคาถ า, าแปลว่าสิ่งที่ควรดื่มก็งั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีในหัวข้อในปฏิสัมพิธานะเล่มถัดไปข้างหน้าก็มีมันดเปย์ยักคาถ า, าว่ากุศลธรรมเหล่านี้ควรดื่ม พรมาจารย์นี้ควรดื่มมากว่างั้นควรดื่มเพราดื่มแล้วระงับดับพิษได้แต่ว่าแม่ถ้าเราบอกว่ายากมันก็คงจะยากตลอดไปต้องกระยิมในใจว่าเราต้องทําได้อ่ะนะโอ้สักวันหนึ่งนะแก้วนี้นี่นดีเมื่อไรนะ่น้อจะเป็นอะไรนะดื่มแก้วนี้บ้าง น, น, นะดื่มสีแก้วแค่นั้นนะอ่ะโอ้โรคเศร้ามองหม่นมองขุนมัวระ ง, งับดับพิษนักแล้วว่างั้นนะสักวันหนึ่งเธอบอกยาก อคงยากต่อไปก็แล้วกันนะไหนบอกไม่มีเวลาก็คงไม่มีเวลาอีกนา น, า น, นหเหลือแต่เวลาตายขอยงกันนะเวลาอื่นในมีโรคของกันมีเวลาเดียวส่วนคนที่จเจริญได้ตามนี้มันอาเสวนาภาวนานี่สําคัญนะว่ากันนะเรียกว่าบริโภคตามความชํานาญก็ถ้ามีความชํานาญทําได้อย่างที่ว่าเนี่ยต้องมีความชํานาญเฉพาะตัว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 นั่นกนอะไรนะแบบอายุร้อยปีก็คือช่วงสามสสามปีแรกสามสิสามปีกลางสาสิบสามปีปลายมีอะไรบ้างที่ทําไม่ได้ีย่ว่าเจริญได้ตลอดเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอย่างนั้นก็าเรียกว่าอาเสวนาภาวนาเรียกว่าเสพเนี่ยนะมันก็นว่าโอ้เวลาไหนก็ทําได้ชํชนานิชํานาญอย่างสมมติอะสมัยพุทธกาลเนี่ยผ้าหาันที่บรรลุตั้งแต่เจ็ขวบนี่เห็นชาตเราท่านทําได้อย่างนั้นหมดเลย น, นะท่านเข้าจะมีความสุขอย่างเดียวตลอด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 มันก็ต้องดิ้นรนกังวนกวายอย่างเต็มที่แหละเพื่อที่จะให้มีความสุขใจของผู้ที่เศร้ามองด้วยบาปอกุศลก็ดิ้นรนกังวนกวายเคยนั่งวันนี้ขอนั่งสบายๆเธอวันอาทิตย์วันอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันขอสบายตลอดทั้งวันทั้งคืนชั่วตลอดวันอาทิตย์ไม่มีอะไรมารบกวนให้มันวิตกกังวลเดือดร้อนไม่ใช่หลับนะตื่นๆอยู่นี่แหละแต่สบายเนี่ยนะถ้าใครทําได้ก็อนุโมทนาด้วยทําได้ไงเนะ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 บอกปฏิสัมพัทธ์มั้งเขามีคนที่เขียนอา ร, รัมพบทนําหน้าหนังสือพระไตรปิฎกฉบับหนึ่งเขาบอกว่าสรุปแล้วมันยากคราบอก ง, งั้นโอ้ยนึกว่าพูดให้คนไปเรียนเขาบอกเขาแ ต, แ ต, แ ต, แต่พูดตอนแรกบอกชมดีอย่างงั้นดีอย่างงี้แต่ตอนจบบอกยากจบมาเลยไม่รู้พูดทําไมก็ไมด้วยลบออกไปเอท้คําประเภทอย่างนั้นอ่านั้นไม่ได้ส่งเสริมศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาอะไรเลยเนี่ยนะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรอกคาเหล่านั้นเรียกว่าขัดแย้งต่อคําสอนไม่ดี พันเราก็ต้องให้น้อมไปศรัทธาสิเขามายังเห็นคุณเลยนะเขามาคิดถึงเมื่อ12ปีที่แล้ว11 12ปีที่แล้วอู้เรียกอ่านปฏิสัมิทาอยากเข้าใจสติสัมปทาอยากอะไรก็แค่สิบกว่าปีเองนะเราก็มานั่งบรรยายสติสัมิทานะถ้าอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยโวยถ้าอาจารย์ทัปฏิวัติตามได้ก็แจวเลยนะมันก็ต้องขูร่องใจให้เป็นไปตามนั้นก่อนให้มีศรัทธาให้มีใจก่อนในที่สุดมันก็ เจริญได้ชาตินี้ไม่赖ก็ชาติหน้าแล้วจะรีบไปไหนวัดต่ามก็อยู่อย่างนี้เลยถ้าไม่บรรลุไตไหนไม่ได้เราออกบอกอรีบมากบอกอเขาเร่งมากเขารีบมากเขาจะไปไหนไปทําไมไม่รู้เหมือนกันก็จะไปเจริญแล้วคุณจะเจริญว่าอย่างไงเจริญให้มันเป็นอะไรแล้วเจริญแล้วคุณจะรู้อะไรไม่รู้แต่รู้ว่าอยากเจริญถ้าอย่างนี้ก็คงไม่ใช่มักแปดละมั้งเพราะมักแปดมันขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความรู้ความเขียนความเข้าใจที่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 ที่จะฟังเพราะการสุตตะจริงๆก็นับหนึ่งในอริยทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์ในอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่มีทรัพย์คือสุตตะก็จะทําให้มีทรัพย์คือศรัท ธ, ธาทําให้มีทรัพย์คือศีลมีทรัพย์คือฮิริโอตตทรัพย์คือสุตะอันนี้จะเพิ่มพูนรัพย์คือปัญญาอริยทรัพย์เหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นเบื้องต้นที่จะนําให้ออกจากทุกเหมือนคนในโลกมีพ่อข้ัพย์จึงจะพ้นจากทุกในโลกเนี่ยพ้นจางนี้ศีลเป็นต้น